พัทธจักรเอกมูลกในสยิิกษูกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าเข้าตติยฌานและจตุตฌานแล้วด้วยการสามอย่างข้าพเจ้าเข้าตติยฌานและอรหัตผลแล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ตติยฌานและอรหัตผลข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญ ข้าพเจ้าทำตติยฌานและอหรหัตผลให้แจ้งแล้วต้องอาบัติปาราชิกภิกษุกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าเข้าตติยฌานแล้วด้วยอาการสามอย่างข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ตติยฌานข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนานข้าพเจ้าทำตติยฌานให้แจ้งแล้วข้าพเจ้าสละราคะแล้วข้าพเจ้าสละโทสะแล้วข้าพเจ้าสละ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 ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ตติยฌานและทุติยฌานข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนานข้าพเจ้าทำตติยฌานและทุติยฌานให้แจ้งแล้วต้องอาบัติปาราชิกภิกษุกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าจิตของข้าพเจ้าปลอดจากโมหะและข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานแล้วด้วยอาการสามอย่างข้าพเจ้าเข้าทุติยฌานตติยฌานจะตุถะ ข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วจิตของข้าพเจ้าปลอดจากโมหะข้าพเจ้าเป็นผู้ได้จตุตจานข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญจิตของข้าพเจ้าปลอดจากโมหะและข้าพเจ้าทำจตุตจานให้แจ้งแล้วต้องอาบัติปาราชิก2องริกษุกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าจิตของข้าพเจ้าปลอดจากโมหะและข้าพเจ้าเข้าสุญญตาวิโมกแล้วด้วยอาการสามอย่าง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 ข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญจิตของข้าพเจ้าปลอดจากโมหะและข้าพเจ้าทำวิชาสามให้แจ้งแล้วต้องอาบัติปาราชิกภิสูจกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าจิตของข้าพเจ้าปลอดจากโมหะและข้าพเจ้าเข้าสติปทานสีแล้วด้วยการสามอย่างข้าพเจ้าเข้าสมปทานสีอิทิบาทสีแล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วจิตของข้าพเจ้าปลอดจากโมหะ และข้าพเจ้าเป็นผู้ได้อิทธิบาตสีข้าพเจ้าเป็นผู้ชํานาญจิตของข้าพเจ้าปลอดจากโมหะและข้าพเจ้าทําอิทธิบาตสีให้แจ้งแล้วต้องอาบัติปาราชิกสองริกษุกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าจิตของข้าพเจ้าปลอดจากโมหะและข้าพเจ้าเข้าอินรีห้าแล้วด้วยอาการสามอย่างข้าพเจ้าเข้าพระห้าแล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้ว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 และข้าพเจ้าเป็นผู้ได้โพชฌงเจตข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญจิตของข้าพเจ้าปลอดจากโมหะและข้าพเจ้าทำโพชฌงเจตให้แจ้งแล้วต้องอาบัติปาราชิกภิกษูกล่าวเท็จทั้งที่รู้ว่าจิตของข้าพเจ้าปลอดจากโมหะและข้าพเจ้าเข้าอริยมรรคมีองค์8ดแล้วด้วยอาการสามอย่างข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วจิตของข้าพเจ้าปลอดจากโมหะ ข้าพเจ้าเป็นผู้ได้อริยมักมีองค์8ดข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญจิตของข้าพเจ้าปลอดจากโมหะและข้าพเจ้าทำอริยมักมีองค์แปดให้แจ้งแล้วต้องอาบัติปาราชิกภิสูุกล่าวเท็ทั้งที่รู้ว่าจิตของข้าพเจ้าปลอดจากโมหะและข้าพเจ้าเข้าโสดาปฏิพลแล้วด้วยอาการสามอย่างข้าพเจ้าเข้าสกทาคามิผลอนาคามิผลอรหันตผลแล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่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 และสลัดเพิกถอนโมหะขึ้นแล้วต้องอาบัติปาราชิกภิกษุกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าจิตของข้าพเจ้าปลอดจากโมหะจิตของข้าพเจ้าปลอดจากราคะจิตของข้าพเจ้าปลอดจากโทสะด้วยอาการสามอย่างด้วยการเจ็ดอย่างคือวงเล็บหนึ่งเบื้องต้นเธอรู้ว่าจะกล่าวเทศวงเล็บสองกลังกล่าวรู้ว่ากาลังกล่าวเทศ วงเล็บ3ครั้นกล่าวแล้วรู้ว่ากล่าวเท็จแล้ววงเล็บสอัมพรางความเห็นวงเล็บหอัมพรางความเห็นชอบวงเล็บ 6. อัมพรางความพอใจวงเล็บ7อัมพรางความประสงค์ต้องอาบัติปาราชิกพัทธจักรเอกมูลกกาในจบแม้พัตธจักรทูโมลกกาในเป็นต้นก็พึงให้พิสดารเหมือนพัตธจักรเอกมูลกกาใน ที่ให้พิสดานแล้วคำที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นพัทธจักรสัพพมูลกใน